สมมติ่าพระาถามยอมทำไมไม่ตั้งใจในการเข้ามาฟังธรรมอบรมโอ้โหฉันจะมีงานยุ่งอยงท่านเลอไม่เหมือนท่านนี่ <c oughs> เล่นพระเขาให้เรืเลหัวใจเลยพระก็ <c oughs> กบสบายท่านก็บสบายสิวันนั้เนม <c oughs> ถ้าพระเนี่ยออกมาแล้วใจหวยหากามาคุณก็ไม่ต่างใช่ไหมลรก อันนี้เขาให้รักษาจิตใช้สตินะรักษาจิตแล้วก็จิตนั้นนะ่ะนะทําคุณภาพของจิตให้อยู่ที่จิตที่ดีแล้วไปรักษาอารมณ์ของจิตก็คือระลึกถึงพระราตนาไตรถ้าจิตหลุดออกจากพระราตนาไตรอันนี้แปลว่าสติมันขาดเหมือนคนนั่งปฏิบัติเนี่ยให้กําหนดดูลมหายใจเข้าแล้วออก ในชั้นของคําสอนสติเป็นธรรมชาติที่ระลึกมั่นใช่ไหมแล้วก็ทําสภาพจิตใจที่เกิดพ้องกับตนนั้นนะให้มีความระลึกมั่นต่ออารมณ์นั้นด้วยประดุจดังแผ่นหินที่จมไม่ลอยดุจลูกน้ำเต้าลอยตามนะ้ำไม่ใช่ลอยอย่างนั้นแล้วลักษณะของสติอย่างก็คือว่าไม่ใช่รักษาจิตอย่างเดียวด้วยรักษาอารมณ์รักษาสิ่งที่ตนเองระลึกด้วยเช่น ถ้าระลึกที่ลมหายใจเข้าออกนะสภาพจิตสติรักษาจิตไม่พอรักษาลมแม่ห้หายไปจากจิตเห็นไหมเขารักษาสองส่วนไหมรักษาสองส่วนรักษารักษาจิต ด, ด้วยให้เป็นจิตที่เป็นใบกุศลด้วยนะแล้วก็รักษาว่าตอนนี้จิตกําลังระลึกอะไรเป็นรมอยู่รู้อะไรเป็นรมอยู่รู้ลมก็ทําลมนั้นแม่ห้หายไปจากความรู้สึก รักษาสองส่วนไหมนี่สติไม่ต้องประการต่อมาก็คือว่าเวลาสติเกิดขึ้นเขาทำหน้าที่เลยกำจัดกาจัดมุดธัดสติความหลงลืมความประมาทความเห่อเลอมันก็แข็งแรงดีคนที่ฟังทำแบบมีสติที่มีกำลังแข็งแรงดีเลยเนี่ยเขาเขาเขาตัดตัดความหลงลืมสติ จะตัดแต่ความประมาทความเพ้อเล้อความเลืเล้อไม่ใชมบนนั่งม no, ันจะฟังจนเขาเริ so ่มซ like ึมซ like ึมหลับปุ๊บหลับปุ๊บอย่างนั้เลยอุกมาดมากใช่ไหมแล้วอที่แปลาดน่ะก็คือว่ารนั่งกรรมฐานหน่อยมันปุ๊บหายแล้วก็รู้สึกปุ๊บหายก็รู้สึกเข้โหัวนิยมดับหลายรอบเลยวันนี้ขี่นั่งมิถ้ายังไม่รู้อีกว่ายังไม่รู้เรื่องอีก พมาก็เจอเจอคนมาเล่าเรื่องการปฏิบัติกันเออเออเออว่าไปเออนึกยิ่งใหญ่เนี่ยถามยอมจะมาเล่าให้ฟังหรือว่าจะมาถามว่าผิดหรือถูกบอกเล่าสู่กันฟังเออเสิ้นเรื่องเ ล, เลยเนี่ยเอ อ, อย่างนี้เล่าให้ฟังนี่ใช่ไหมพมาก็มานั่งนึกเออเขาคงคิดพระว่าพระมึงมั่งเนี่ยพระไม่รู้มั่งเออานึกงจริงๆน่น แสดงว่ามาบวดมามาไม่รู้เรื่องลงเลยนะี่เนี่ยไม่มีใจเลยโอ๊ยมันต้องมานั่งฟังยอมเขาเล่าเนีไงนะยอมเขามาเล่ามันเป็นอย่างนี้นะท่านนะแล้วก็เออเป็นงั้นหลือเนี่ยท่านสังเกตเาไว้ถ้าหากว่าสติลักษณะพอกําหนดไปเงี้ยมันจะขาดเป็นช่วงๆนั่นนะ่ะมันจับแล้วท่านรู้ไหมที่ยอมได้อุทยาค ย, ยานมาแล้วนะ เอออาวา่าคนในี้ไม่ใช่อาเบิรจะเล่นแล้วแต่แล้วไม่รู้อะ่ะเขาเนี่วแบบพระบวชมาเนี่ยมันนั่งกินข้าวแล้วก็นอนหลับกินข้าวก็นอน ห, นหลับไม่รู้เรื่องเวลาไหนใช่ไหมจริงจริงในบรรดาคนอยากคนทุกข์เนี่ยถามว่าพระนี่อยากคนทุกข์มากกว่าโยมไหมเออทั้งนั้นไม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งบ้านทิ้ง เรือนทิ้งสถานภาพทุกอย่างเดินมาเป็นผู้ไม่มีเรือนไม่เกี่ยวข้องเดือนเดือนเนี่ยมันแปลว่ า, าท่านต้อิดนะไม่ใช่ออกมาแบบมึนๆแบบประเภทเที่ยวหวถูกเบียดเบียงประเภทจำนวนอะไรนะไม่มีคนนั่นแล้วก็ถูกขีบอกมาเขาไปใช่ไหมตัวเดียวมาไม่มีเรื่องนละ้วเนี่ยเป็นคนไม่ดีในสังคมมันเอาไปกักขังบริเวณทัวร์ไม่ใช่อย่างไง ออกมาห้าใจอยาบพนทุกหัวใจอยาบนทุกหัวใจวิ่งไปทั่วนะไม่ได้วิ anch, ่งเลยนะแล้วก็มันนั่งโยงก็ฟังก็เขาฟังด้วก็เราเราเราเรแล้วก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องทีคือคือคือบางครั้งเนี่ยเรากรณีที่สติเนี่ยลักษณะของสติในการรักษาจิตรักษาลมประการต่อมาคือก็ทําความหลงเลยว่าถ้าให้สังเกตดูนะว่า คนที่เขาเขาเห็นความเกิดและความถอบจริงๆเนี่ยมันถูกประมวลมาจากหยางนะจากการไล่เลียงจากทุกที่หยาบๆยามาแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนลำดับของทุกที่หยาบๆยาแล้วก็สู่ระบบของความละเอียดขึ้นมาตามลำดับแต่ไม่ใช่ อยู่ๆเนี่ยไปกำหนดและจิตเป็นสมาธิมาตามลาดับไม่เคยวิจัยเรื่องทุกขษัตริย์อะไรเลยเท่าไหร่เลยแต่ต่อมาเข้ามาเห็นความดับปึ๊กหายไปอย่างเงี้ยเลยใช่หมอีกอย่างหนึ่งนะสภาพของสติเนี่ยมันรักษารักษาจิตรักษาจิตคำว่ารักษาจิตในที่นั้นก็คือสภาพจิตที่เป็นไปกับกุศล รักษาจิตแลก็รักษาลม ย, นะยังรู้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ของสติลำดับแรกคือสัญญาใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกในหลักเขาบอกสติปบืฐานถามว่าพุทธคุณคุณของพริเจ้าเป็นเหตุใกล้ของสติไหมเป็นไม่เป็นเอ็ น, นลองคขาว่าพุทธานุสติเห่นไหมเนี่ยก็าเรียเหตุใกล้ของสตินั่นแหละ ธรรมานุสติการระลึกถึงคุณของพระเจ้าระลึกถึงคุณของพรธะธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อ่ะสีราตุสีเป็นเหตุการณ์ของสติไหมศีนก็เป็นเหตุการณ์ของสติแต่เป็นเหตุกลร์ของสติให้กับบุคคลที่ระลึกเท่านั้นา เ, เข้าใจคำว่าเหตุใกล้ไหมหมายถึงะอะไรคำว่าเหตุใกล้ของสติมันคืออะไรรู้ไหม เอาถามหน่อยคาว่าเหตุใกล้ของสติเนี่ยอย่าเก็บเล่แปลไทยเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งที่นั่งทางท่าเค่งเนี่ยไอคําว่าเหตุใกล้ของสติเนี่ยรู้ไหมรู้ไหมคืออะไรถ้าพูดให้ง่ายๆเรพูดว่าเป็นอาหารของสติอสติต้องกินอาหารไหมเออเนี่ยตัวเนี่ยเหตุใกล้ก็คือ ละเลิกอย่างนี้แล้วสติจะเกิดได้แข็งแรงเป็นเหตุใกล้ชิดถ้าไม่รู้จักเหยดใกล้ของสติจะเจริญสติได้ไหมไม่ได้ต้องรู้จักเหยดใกล้ของสติลมหายใจเข้าออกเป็นเหตุใกล้ของสติได้ไหมได้ก็เรียกอานาปานสติไงเจอมั้ยลองเป็นเหตุใกล้ของสติ อียบอดการระลึกถึงเอียบอดขั้นชันโตวาคั้นฌามีติปชานติเนี่ยเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเดินอยู่เนี่ยอันนี้เป็นเหตุใกล้ของสติได้ไหมอ๋อได้แต่ว่าแต่ว่าคุณระลึกเป็นไหมเออระลึกเป็นไหมเมื่อเดินก็รู้ว่าบัดนี้เราเดินอยู่เมื่อนั่งก็รู้ว่าบัดนี้เรานั่งอยู่เมื่อนอนก็รู้บัดนี้เรานอนอยู่เมื่อยืนก็รู้พพุทธเจ้าบอกไอ้นีท้ามสอนมา สุนัขบ้านสุนัขริงจาเวลามันเดินมันรู้ไหมว่ามันเดินรู้ม้นรู้ได้ไงเางามันรู้คำสอนก็แอลอ้เวลามันมันยืนรู้ไหมมันวิ่งมันนั่งมันนอนมันรู้ไอประชานติพท์นั้นเน่ะไม่เรียกว่าสติปัฏฐานทีนี้ ถ้าเราบอกว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนแล้วก็รู้แบบธรรมดารู้แบบเออในตอนที่เรากําลังกินข้าวไปรู้ตัวว่าเรากินนั่งไปรู้ว่าเรานั่งทำอะไรก็รู้ว่าทําเนี่ยท่านใช้คําว่าไม่ต่างกันไม่ต่างกันจากการรู้ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ประหลาดการรู้อย่างนั้นท่านจริงเรียกว่าไม่เป็นสติปัฏฐานภาวนาไม่เป็น จะนันการรู้ที่เป็นสติปัฏฐานภาวนาในการยืนเดินนั่งนอนจึงต้องมีกรณีพิเศษมากกว่าการรู้แบบสุนักบ้านสุนัขยิงจอ่อคนทั่วไปที่เดินถ้าคนเขาเดินแล้วเป็นสติปัฏฐานนะดูตรงไหนอันนี้สงของการเดินเดินแล้วรู้ชัดสติปัฏฐานอันนี้สงะเจ็ดปีบรรลุเจ็ดเดือนบรรลุหรือเจ็ดวั น, อ ย, าาวนนะอย่างกลามเจ็ดวันนะอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างสูงไม่เกินเจ็ดปีเนะี่ยต้องบรรลุ ถ้าเดินถูกถามหน่อยแล้วมีเดินมากี่ปีแล้ว mm hmm. เดินมากี่ปีอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้เริ่มตังต้งจตเดินได้อะชีวิตเ น, mm hmm. นี่ยเนี่ยเราจะได้รู้ว่านั่นไม่ใช่เป็นสติประฐานเลยถ้าเป็นต้องบรรู้สิ mm hmm. พระเจ้ากำหนดไว้ว่า mm hmm. ไม่เกินเจ็ดปีไง mm hmm. อย่างอย่างมากเลยนะเนี่ย mm hmm. ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนอนมากี่ปีแล้ว นั่งมากี่ปีแล้วนอนมากี่ปีแล้วแล้วทําไมไม่แทงตลอดสัจจะเราพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละชาวโลกเขาก็เดินกันอย่างนี้แหละนี่เวลาเขาเป็นฝึกเองนางงานจักรวาลอย่งนี้นโอ้โหเขาบรรลุกันหมดเขาต้องรู้ตัวมากเขาต้องฝึกขนาดเอาน้ำเอาน้ําใส่แล้วเดินอย่างดีเลยนะเขาต้องเดินนี่นสติต้องอยู่กันเยอะตัวเลยนะบางคนตุดเป็นสิบ ป, ปีนะกว่าจะที่เป็นนางงานจักรวาลเนนะี่ย สเปียันเกิเจ็ดเจ็ดเจ็ดปีนะแล้วทําไมไม่บรรลุเรามันไม่ใช่เราจะได้รู้ว่าการเจริญสติปัฏฐานมันไม่ได้แค่นั้นพอจะเข้าใจชัดไหมคือพระเจ้าไม่ได้สอนแค่นั้นไงมันเดินกันอยู่แล้วมันนั่งกันอยู่แล้วมันนอนกันอยู่แล้วแล้วบางคนไปฝึกเดินโอ้โหไปที่อินเดียเนี่ย เขาไปฝึกเดินของเขาเนี่พวกนี้เขาปฏิบัติฝึกเดินก็จะ ม, มันผิดทางนี่ยเน้ยแต่ละค น, นก็นั่งนั่งเป็นสิบสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงแล้วเขาเดินนี่เขาไม่สนใจอะไรเลยเนี้ยโอ้ทั้งนี้ก็สติปัะฐาเต็มหมดเลยเนี้ยแล้วมันใช่ที่ไหนล่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเดร์ถีเดรถีฮะ เขาสมาธิเขากล้ามากเลยเวลาเขาเดินเขาเดินเขาจะไม่แดกร้อนขนาดไหนเขานิ่งเขาอยู่กับกับเขาอยู่แล้วแล้วภายนอกศาสนาด้วยเนะยภายนอกศาสนาเนียก็ก็เนี่ยเลยเล่าให้ฟังเขาจะได้เขาจะได้เข้าใจว่าที่เขาเดินกันจริงจิงที่มันเป็นพิเศษเนี่ยใช่ไหม ไอ้กรรมคัดชั้นตัววาคชามีทีประชานาทีมันต้องไปนั่งคุยกันจริงๆในเรื่องตรงนี้ทั่วเอิญเนี่ยถ้าถ้าบอกกรณีที่ว่าสังเกตุไหมว่าการจะถ่ายถอนกิเลสเนี่ยมันต้องรู้ละเอียดไม่ใช่รู้อย่างใช่ไม่ใช่เพราะสภาพกิเลสเนี่ยมันยากเอิรละเอียดมาละเอียดแล้วกิเลสเนี่เป็นธรรมชาติที่ถอนยากไม่ถอนง่ายมันอยู่ฝังแน่นในกรรมลาสานานนรสัตต์ต่งหลายมาไม่รู้กี่ล้านล้านจัตวา แปลว่ามันรู้จากเราเนี่ยมากกว่าเรารู้จักมันคนที่รู้จากกิเลสจริงๆคือพระพุทธเจ้าเาป็นต้นใช่ไหมถ้าใครรู้จักกิเลสจริงๆคนพวกนั้นก็ถอนราถอนโคนน่ะอันนี้ก็ต้องเข้าใจข้อท็จจริงตรงนี้ด้วยเนาะเรื่องความรู้นี่สําคัญไหมสำคั ญ, คญอันนี้พูดไม่รายละเอียดบ้างนะเพรเดี๋ยวมันจะเป็นไม่ไมจะวิชาสถิปตฐานเนาะแต่เป็นวิชาอะไรเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นหลักการเพื่อจะให้เทียบเคียง ใช้คำว่าเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าแบบนี้เราเดินอยู่ท่านใช้คําว่าสุนัขบ้านสุนัขจินจ่อเวลามันยืนเดินนั่งนอนมันก็รู้มันยืนเดินนั่งนอนแต่การรู้ในลักษณะอย่างนั้นก็อุปมาเหมือนกับคนชาวโลกทั่วไปเขก็รู้ยืนเดินนั่งนอนต่างๆก็ก็รู้ล้มตัวลงนอนก็ก็รู้แต่การรู้อย่างนั้นไม่เป็นสติปัฏฐานพรมไม่เป็นกรรมฐานด้วยในเ้นของคําสอนท่านใช้คําว่าไม่เป็นกรรมฐานด้วยแล้วก็ไม่เป็นสติปัฏฐานภาวนาด้วย เพราะการรู้อย่างนั้นไม่เป็นไปเพื่อการถ่ายถอนสัตว์บุคคลทําไมไม่เป็นการถ่ายถอนสัตว์บุคคลเพราะเป็นการรู้โดยรวมๆไม่ได้เจาะรายละเอียดในการที่จะเข้าไปวิจัยให้ควรพิจารณาความเป็นไปของอากัปติยาที่เดินวายโยธาหรือลมทั้งหลายที่พัดผันไปในอวัยวะที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเดินและไม่ได้ไปเจาะละเอียดในรายละเอียดในการที่จิตที่คิดจะเดิน ว่าเป็นสภาพจิตที่เป็นไปกับบุญหรือเปล่จิตที่เป็นไปกับบาปสรุปก็มีสามประเด็นหนึจิตที่คิดจะเดินเกิดขึ้นจิตที่คิดจะนั่งเกิดขึ้นจิตที่คิดจะนอนเกิดขึ้นจิตที่คิดจะยืนเกิดขึ้นนะมนุษย์เรามันจะคิดก่อนนะเวลาจะยืนเดินนั่งนอนแต่ใครจะรู้สติสัมัญญาจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงมันจะมีจิตที่คิดก่อนพอจิตคิดไปเสร็จปุ๊บจะมีกลุ่มธาตุลมชนิดหนึ่งเขาเรียกว่า วายโยธาภาษาพหาันเรียกว่าจิตตชาวายโยธาวายโยธาที่เกิ ด, กดยากจิตนี่แหละที่มันยิ่งด้วยความสามารถแต่มันไม่ใช่ยิ่งด้วยปริมาณนะยิ่งด้วยความสามารถแต่ไม่ได้ยิ่งด้วยปริมาณเช่นพอคิดจะเดินเกิดขึ้นน่ะวายโยธาทั้งหลายเนี่ยที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการที่จะ พัดผันที่จะทำให้อวัยวะส่วนล่างที่เรียกว่าขามีการแล้วก็อวัยวะส่วนบนที่เรียกว่าการะดากายท่อนบนกระดากายท่อนบนเวลาเยืนอยู่เวลาจะเดินนะกระด้างกายท่อนบนก็มีการโน้มไปข้างหน้านิดหนึ่งเห็นไหมมีมีอการโน้มไปแล้วกระรากายท่อนบนส่วนกระรากายนนกาท่อนล่างที่เรียกว่าขาอวัยวะขานั้นก็มีการก้าวไปข้างหน้า จึงเรียกว่าสัตว์เดินจึงเรียกว่าเดินสัตว์ทั้งหลายก็เลยมาสมมุติกันที่หลังว่าสัตว์เดินคนเดินหญิงเดินชายเดินเราเดินใช่ไหมถ้าสอนให้รู้แบบนี้เออมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเวลาจิตคิดจะเดินเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยพอจิตคิดปุ๊บว่าจะเดินเนี่ยว่าจะเดินเนี่ยจะเดินไปหยิบของจะเดินไปทํากิจต่างๆหรือจะเดินจงกรมเนี่ยพอจิตคิดจะเดินปุ๊บเกิดขึ้นเนี่ย ไอ้ว่าโยธาชนิดหนึ่งมันมีกําลังมากยิ่งด้วยความสามารถน่ะที่มันอยู่ในวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยมันก็ทำการณ์กายท่อนบนเนี่ยให้น้อมไหน้องให้น้องเวลาจะเดินยิง น, น้อมไปข้างหน้าหน่อยนั่นเน่ยเรารู้เราชัดเจนตรงนี้ไหมโอ้โหมันเป็นกระบวนการเหตนะุของปัจจัยนะของนามเรลลูกนนเนี่ยเนี่ยมีการน้อมไปข้างหน้าการณ์กายท่อนล่างกตาบด้วยัยวะตากือขา ก็มีการก้าวลยจึงเรียกว่าเดินอ้รูปกายที่มันเดินไปเป็นอย่างนี้นะเนี่ยใช่ไหมนี่รายละเอียดมันเยอะนลยทีเนี้ยรายละเอียดมันเยอะในกรณีที่จะไปวิจัยตรงเนี้ยนี่้เป็นเรื่องสติและปัญญาที่มีกำลังไว้ถึงจะไปเข้าใจอย่างนี้ เออแปลกไหมเราอยู่กับเขามาตั้งนานเราไม่เคยรู้เลยเนะี่ยกระบวนการของรู ป, ปกายเรื่องนามาทำทั้งหลายเนี่ยมันเป็นกระบวนการสอดคล้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหิดกันยังไงมันแยกส่วนกันยังไงเราก็ไม่เคยแยกแยกะรายละเอียดเลยนะเนี่ยแต่เราสําคัญมองส่วนต่างๆมาคุมคุมเข้าไปเสจเนี่ยความเป็นคนเป็นสัตว์อะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะมนุษย์เราเนี่ยนะเออแปลกไหกระบวนการตรงนี้เออพระเจ้าวิจัยรายละเอียดเยอะถ่ายถอนเล ย, ย, ย, ย ที่จะถ่ายถอนสัตว์บุคคลถ่ายถอนความเป็นหญิงเป็นชายถ่ายถอนความเป็นตัวตนเราเขาขึ้มนมาได้มันต้องเป็นปัญญาล้วนๆเจมืงใจถต่ว่าถ้าปัญญาเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าระดับกุศลศีลหรือระดับสมาธิที่ไม่มีกําลังหนึ่งได้ไหมก็ตกลงไปตกอ้าวยอมสาระนะชาติอีกแล้วแล้วมาพูดกันอยู่เนี้ยว่าจะขึ้นกันตรงนี้ก็ไปไปไม่เป็นกันเองเพอจะเริ่มมองเห็นไหม มันเกี่ยวกับการบริกรรมไหมเกี่ยวไม่เกี่ยาในเกี่ยวมันเกี่ยวกับปัญญาที่เขาไปแทงตลอดแล้วรู้แล้วเข้าใจใช่ไหมล่ะคุณไม่ต้องไปบริกรรมคุณก็เห็นเลยเนี่ยไอ้กรณีความจริงของชีวิตตรงเนี้ยกระบวนการของชีวิตเนี่ยคุณไม่ต้องไปบอกภาษาย่างขวาย่างคุณก็เห็นคุณก็เข้าใจในประเด็นหนึ่งนี้แต่ประเด็นว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะอันนี้เพีบอกเบสิกไอ้พื้นฐานในเบื้องต้นเนี่ย ในพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าบางคนก็เดินด้วยความโลภใช่ไหมเออไดเดินด้วยความโลภถามว่าเมื่อจิตตอนนั้นเป็นจิตที่โลภการละชัตวายโยธาที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้อวัยวะท่อนบนมีการโน้มไปทางะหน้า เอาไวยวัตตอนล่างที่สมมุติเรียกว่าขามีการก้าวเดินไปเนี่ยเรียกว่าเดินเหมือนกันไหมเรียกว่าเดินเหมือนกันแต่ตอนนั้นเป็นการเรียกว่าเดินด้วยจิตที่เป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าจิตที่เป็นบาปตรง น, นั้นเขาเรียกมโนสุจริตหรือมโนสุจริตกายที่เคลื่อนไหวเป็นกายสุจริตดูสิมนุษย์รู้ตัวกันไหมเนะี่ยไม่รู้ ถามว่าโลภะมีสมาธิตั้งมั่นได้ไหมได้ไม่ได้แสดงว่าไม่เคยตกปลาเวลาหย่อนหย่อนแบหย่อ น, อนแบบลงไปเนี่ยมองโหจิตตั้งมั่นเลยเนะี่ยเนี่ยยิ่งมันกำลังมงคนจ้องเป็นชั่วโมงนะอยากได้ตลอดเลยเนะี่ยสมาธิก็ตั้งมั่นด้วยฉะนั้นอการเดินเพื่อให้จิตเป็นสมาธิพอไหม มันไม่พอแล้วแต่เนี้ยมันต้องรู้ด้วยอัจฉริยจิตของตนเองตรงตนั้นคุณภาพของจิตเนี่ยมันเป็นบุญหเป็นบาปโอ้โหมีคนคนหนึ่งในอนนี้นเดินได้โทรสาพท์ตนี้ได้อย่าลืมนะมีคนคนหนึ่งเขาเขาจับมาได้ทีหลังเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาไป็นนั่งและจ้องถือปืนเนี่ยคอยฆ่าคนก็ใช้เวลาวันหนึ่ง นั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะต้องอดทน่ามสมาธิตั้งตั้งนะ่ะ mm. เขาบอกเขาเาเครียดตลอดเลยน้ยวันนั้นเขาเครียดตลอดเลยตอนนั้นโบรี่นี่หมดไปหลายซองเลยแต่นั่งพอคนเบ็ดเสร็จวันนั้นฆ่าไม่ได้หนึ่งวันเนี่ยสมาธิก็เขาดูไอจุดที่ที่จะยิงให้ได้อ่ะก็เดินไปเดินมาอยู่นันละตูอยู่นั่นแหละ เขาไปนอนสิแล้วก็ช่องรออยู่บุหรี่รอเอาพัาลุกมาใหม่จ้องหรือไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะยิงให้ได้ยิงไม่ได้กูสมาธิไม่ธรรมดานเนี่ยอันนี้โทดสอบไม่ใช่เพื่อสมาธิอย่างเดียวมันเป็นสมาสมาธิหรือวิชาสมาธิที่เราจะเจริญนีเเญ่เราจะเจริญอะไรกันแน่เนี่ยเออสมาสมาธิ อันนี้ก็คือพูดพอเป็นแนวทางให้ฟังรายละเอียดเล็กน้อยพอเป็นเครื่องชีว้วว่าอาจจะมีผู้สงสัยว่าเออทาไมการจเจริญมันจึงจะต้องมีแบบฉบับในการที่จะต้องค่ายคนมันเดินกันมาทั้งนั้นเยโยมชีวยืนกัมาทั้งนั้นนั่งกันมาทั้งมันทุกอัตภาพถ้ามีขาถ้ามีขาไม่พิการไม่มีใครไม่เคยเดินทำหรือไม่ มีอาพาก็ต้องนั่งต้องยืนต้องเดินต้องนอนยกันอย่างเงี้ยชีวิตเนี่มันไม่เป็นสนระทังันจะเข้าดอย่างยางไหม เออใช่ที่บอกว่าให้เดินก้าวไปข้างหน้านะบอกว่าให้เราที่มันหนักตัวข้างหน้าขาหลังหยอนตึงอะไรนี่เป็นสติไม่ทราบไม่เคยไม่เคยเห็นในสู่เนันก็ต้องก็เพราะมันเคยต้งจีตรงเนี่ยในโยอมนะมาแลพยายามบอกว่าอะไรที่อยู่ในพุทธโอวาสเนาะ อามาก็เอามากล่าวให้มันครบนะถ้าอันไหนที่อยู่เป็นพุทธโอวาจะมาจะกล่าวตามนั้นแต่ถ้ายมรับมาอย่างไรยมก็ามาเทียบเทียงถ้าถูกต้องตามพุทธโอวายมเดเลยพราะีชัดเจนนะแต่ถ้าอันไหนที่มีพุทธโอวาหารองรับไม่ได้ไอยมตัดสินใจเองยอมหลังใจเอ ง, เองคือว่าตอนนี้ยอมจะเป็นอุบาสก บ, บาสิกาของพระเจ้าวิญญาณ ก็จะเป็นมันก็มีอยู่คำว่าเราจะเราจะเอื้อกเพื่อที่เราจดมนเมื่อเช้าเนะี่ยเราจะเอื้อกเพื่อไหมเขาใช้คําว่าอาทะลนะีอาทรเนี่ยอาทะลัหรือจะเป็นอนาทะลักอ้าใครจะเป็นอนาทะลต่อพระราชนทรเลยคือตรงนี้ก็ก็เข้าใจนะยอมในเวลา ที่จริงที่จริงชาวพูดเนี่ยก็เราก็รู้ทุกคนก็อยากจะพ้นทุกข์กันแต่ต้องมีอุบายที่ชอบไงพ้นทุกข์โดยไม่มีโดยดูอุบายที่ไม่แยแครยมันจะ้นทุกมเดิน ไดตอบประเด็นตรงนี้นิดนึ่งไตอบประเด็นเมื่อกี้แทรกงมาิงนรงก็คือเออบางที เข้าใจแลก็ก้ว่าเมันี่ก็เอ่อรู้ว่าไรก็ป่แอปัญญามันไม่ได้ว่าจะเกิเองถ้าทเกมันป็น่ปัญญาปัญญา้เาได้เ็ปาของเขาก็รเขาจะรู้ว่าาเรากจอไรบอามก็เลยีนะน คือคือตรงนี้ตรงนี้ก็ก็เข้าใจที่ามาพูดเมื่อวานว่าชาวกัลยมณชนที่เทสะพุทธ น, นิคมยิบพุทธเจ้าแสดงกัลยาสมูลพอพุทธเจ้าเสด็จประทรับหาพกก็มีไม่ทราบของใครจีนถ้าเกิดค เ, เจ้าเปรนถามพุทธเจ้าก็เออ สมควรแล้วที่พวกเธอจะต้องสงสัยถ้าฟังขนาดนี้แล้วไม่สงสัยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะมันหลากหลายเป็นเรื่องปกติพวกเราก็อยู่ในตรงนั้นแหละเออประเด็นตรงนี้ก็เวลามันจำกัดเนาะสงสัยประเด็นนี้จริงหรือไม่นะถ้าสงสัยประเด็นนี้มันใช้เวลาคุยก็มันต่อถ้าบันทึกไม่เหมาะ มันต้องอามาเคลียร์ประเด็นกันออกคุกมุมให้ดูแล้วก็ดูเนี่ยเนี่ยตัวนี้คํำสอนบอกอย่างนี้เอาข้อสอบเป็นตัวตั้งนะครูบาอาจารย์นั้นครูบาอาจารย์นั้นเราฟังมาก็เอามาเทียบเทียบเทียบเทียบอ๋อถูกโอเคใช่แต่ไหนที่ว่าเอออันนี้ยังขาดประเด็นนี้เราก็ตัดประเด็นนี้ขาดไปอันนี้ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ดูข้อสอบดูใช่นี่จะจบอันนี้เราก็จะไม่แพ้แต่ถ้าเราไม่มีมากจนนเป็นซึ่งวัด ม, มีมาตรการหลักการของพุทธโอว่าเป็นเครื่องวัดไอ้ตัวนี้มันก็เป็นเรื่องปกติเราก็จะว่าเออ น, นี้ถูกใจเราบางทีมันก็โผลนะ่มาในอีกทิศเราก็เลยเออเอาเรียกไปแล้วกันไม่ต้องไปสนใจนะั้นที่สุดจริงๆคนที่เป็นคนตัดสินคนสุดท้ายมันกลายเป็นเราไปแต่ว่ามันเหมือนว่าสมมุติเราไม่ได้เรียนทางด้านบัญชีมหรือนี่ก็บอกให้ีิให้ดูวิชาบัญชีแต่แล้วแต่คุณจะชอบ อันนี้มนะันะนะ่าน่าน่าคิดแต่ถ้าคนที่เขารู้วิชานี้มาอย่างดีแล้มีคนมาเขียนบัญชีผิดเขาว่าอันี่ผิดผิดผิดช่ไหอั น, นเดียวกังทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าสอนคําว่ า, าศาสนานั้นอย่าลืมป ร, ริยัติศาสนาเป็นาศาสนาด้วยใช่ัหมพระพุทธเจ้าใช้ับว่าที่หมดและส่วนใดที่เป็นตัวหลบพุทธหลบพุะ ที่เป็นตัวโมอุตรละและส่วนใดที่ชี้แนวโลบุตรลส่วนนี้จะชี้แนวลบุตรละคือคําสอนของพระเจา้าไม่ใช่คําสอนน้อ า, ารเนาะถ้าอาจารย์พูดไปถ้าไม่ตรงคําสอนพระเจา้าอันนี้อาจารย์เป็นผู้ชอบรับเต็มเต็มรับเต็มเต็มคนที่รับไปปฏิบัติตามก็เต็หนึ่งเลนเดียนแต่กรรมสองส่วนนี้คนตามก็เบาหน่อยไอ้คนที่ผลิตขึ้นมาใหม่ไอ้ น, นี้ก็ต้อง อคุณต้องรับผิดชอบกรรมที่คุณทำขึ้นเป็นกรรมนะกายวจีกรรมที่เปล่งไปทุกคาพูดเป็นกรรมไหมเจตนาที่ไม่เจตนาที่เจตนาที่รู้ผิดอาจจะเป็นกุศลก็ได้เพราะสำคัญว่าคำสอนใช่แต่มันก็คือไม่ใช่และไม่สามารถจะทำให้ผู้ส่องเศษ เสพแล้วบรรลุได้จริงเลยใช่ไหมก็ที่เอา ม, มายกตัวอย่างเมื่อวานจริงๆน่าจะชัดเนี่ยยกตัวอย่างอาริทากาวพิโค อ, อะไรทกาวพิโคเนี่ยไปสําคัญว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติอะไรเนี่ยต้องมาหนื่อยลำบากในการจะต้องมาบัญญัติสินค้าบทในการถูกต้องกายสตรีเออกายสตรีก็มันก็คือผ้ามันไม่ต่างกันเลยสัมผัสเย็นร้อนเนี่ย ไม่ต่างกับโต๊ะเก้าอี้เปลือกปอเปลือกป่าน เ, เสื้อผ้ายันไปต่างอะไรกันอืมทำไมพระเจ้าต้องมาใช้วิทยาอุตสาหกรรในการมาบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ว่าห้ามมันห้ามพระไปถูกต้องกายสตธิใช่ไหมห้ามพระไปถูกต้องเงินทองเนี่ยให่เปห้ามทำไมเนี่ยเพราะว่ามันจับไั น, นี้มันจะต่างอะไรกับเงินทองก็ดินน้ำไปลง ใช่ไหมลนะ่ะกายสติคือดินน้ําไฟลมเปือกปอผ้าก็ดินน้ําไฟลมไม่ต่างอะไรกันอนี้ก็ดินน้ําไฟลมโอ้ไม่น่านเลยพอท่านจะคิดคิดคิด ค, ดคดิโอ้ท่านเข้าใจแล้วท่านบอกท่านเข้าใจคําสอนผู้เจ้าชัดเลยเรนนี้ท่านเอาไปคิดไปสอนไปคิดไปสอนอยู่หลายปีนะนะเข้านะเข้าก็เรื่องกระดัางกรดังมาพระไปไปโจทย์ด้วยท่านท่านเข้าใจข้อปฏิบัติผิดเรอปฏิบัติผิดแล้วพ่อเนี้ย พอบอกปฏิบัติผิดท่านก็ยืนยันว่าท่านฉลาดในคำสอนไปไปมาก็ต้องนิมนท่านเนี่ยไปหาผุธเจ้าผู้เจ้าเรียกกลัวผู้เจ้าก็ถามเธอเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเห็นนเห็นแบบนี้แล้วเข้าใจพู้เจ้าบอกว่าโมคาบุรุษทำไมเธอไปหักชินจับของพระชินเจ้าผู้เจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านก็ฟัง ฟังไปเสร็จท่านถอนไม่ได้โยที่ถีมันยึดแล้วมันยึดแล้วท่านก็บอกว่าโ อ, อ, อ้ไม่เป็นไรแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเราโมฆะบุรุษเราจะไม่ได้บรรลุแล้วในเพศของพระเนี่ยวงั้นเถอะงั้นเราก็สึกแต่มันถอนไม่ได้เ ป, เ, ปด เ, ปดเป็นเป็นคารวะพอเป็นคารวะเบียดเสร็จแล้วก็ให้ทานรักษาศีลแล้วก็ได้สุคติพุทธเจ้าบอกว่าเธอหมดโอกาสแล้ว นี่จะทําไงมันยึดแล้วยอมเสพอะไรสักไม่ต้องอะไระสมมติเ่ยยอมเสพข้อปฏิบัติ ว, iment, วิธีการความคิดเนี่ยยอมเสพไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเดือนถ้าใครมาบอกยอมมันมันไม่ถูกโยมโกหกตายเลยเพราะแท้จริงเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันเสพทุกวันยอมเสพคุณทุกวันระลึกทุกวันระลึกทุกวันระลึกระลึกระลึกระลึกลน่ยมันตอบย้นะําในอาการ ก, ารการลางกลางระลึกเนี่ยตอบย้ําตอบย้ําตอบย้ําตอบย้ํา ยึดด้วยนะมันยึดด้วยนะเหมือนยอมยอมยอมท่องมาบ้านเราบ้านเราจริงจริงมันท่องทุกครั้งนะว่าคิดนะโอ้บ้านเราลกย่างนี่บ้านเราสรงบตกใจมันท่องทุกวันแหละเดียวลูกเราวันนี้ไปกลับลูกเราไปไหนนี่มันท่องทุกวั น, นท่องมันยึดชาพุทธน่ะไอยึดธรรมฐ า, า, านยึดมันไม่ใจเลยด้วยปัญ ญ, ญางัพระเจ้าจึงมาสอนไอตัวยึดกับตัวปัญญาเป็นอย่างกันนะอะไรเงี้ย น, นะ อย่ายึดถือด้วยตัณหามาน้าที่ตีนางเข้า น, นางเข้ามันก็งัดใส่กันนินนัดใส่กันนินผิดกูถูกก็ว่ากันเต็มไปหมดเลยนี้อามารู้มาตั้งยี่สิบกว่าปีมาไม่อยากจะออกม า, า, างปายมันางบอกว่าปรญยายแล้วมันกระเทือนกันไงแต่ว่าเอออามาพูดไปเนี่ยมาพูดที่รู้ว่าพุทธพจน์ว่าอย่างนี้ส่วนคนอื่นยังไงไม่ทราบไม่ทราบพวกท่านรับผิดชอบตัวเองใช่ไหมล่ะ ทุกคนต้องผิดแรณตัวเองเอทุกคนอยากพ้นทุกข์อ่ะอยากพ้นทุกข์เราจะตามใครก็ตามไปไม่ว่ากันแล้วแต่ไม่ส่งเสริมสิ่งที่ไม่ถูกต้องการใหญ่คนเข้าใจก็จะโพื่อนกแก่นั้นแหละใช่ไหมไม่อยากพูดจังสี่เรียยนมาก <c oughs> <c oughs> ใช่คุณครูครับอาย์ุด้วยก็เราสราบข้อปฏิบัติในาการถึงใสงรับผู้ขอประเมินอประเมแล้วใช้เป็นได้แล้วทำทานก็พอเป็นแล้วรักษาสีจานที่สีวานที่ปรีเนี่ยเข้าใจแล้วก็ใช้สุดใช้มาเนี่ยค่ะแต่นี้ของเดิมที่เราเคยทำมาที่การเากกาอาหนี้ียากรเปดาเนินคดีด้วย ศาสตาจตรงนเ้นแ่นอว่าในนวที่เราเรียนเข้าใต่ชานะคมแนี่ยด้าัจะไปพิจารณาอย่างบทเรีนีั่งินประดิเนี่ยเราแยกคาบฐานเลยใช่ไหมหรือว่าใช้ปั่เชื่อมกานรอบอย่างนี้ถ้าถามว่าในขณะที่เราไปเจริญเสถียรฐานตอนนั้นเราตกจากใต่สถานะคงไหมหรือจิตใจของเราเป então, und, erm ็นยังเชื่อมโยงกับสถนะคมไหมใช่ไมคือว่าอย่างนี้ เตือนในกรณีการที่ไปพิจารณาเ อ, าอยียบวชิยเตือนั่งนอ น, น, น, น เ, อ เ, อเป็นต้นมนขณะเตือนจงกรมถามมาตอนนั้นน่ะสภาพจิตใจเตือนเป็นไปแต่การที่จะเจริญสติไอตัวสติที่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะเป็นสมาสตินะไม่ใช่มิจฉาสตินะเป็นสมาสติไอตัวสมาสติไม่การเจริญสติเนี่ยเป็นลาชาอาคาโตสับพูดถึงสติแต่ตัวอื่นถูกเจริญด้วย เหมือนพระราชาสเสด็จเนี่ยอํามาตย์ตามมาด้วยทหารตามมาด้วยเพราะว่าถึงสติเนี่ยความเพียรพูดแล้วนะสมบัติชัญญะพูดด้วยศรัทธาพูดด้วยสมาธิพูดด้วยแล้วตัวคุณธรรมอื่นๆอีกเยอะซึ่งเป็นกลุ่มของกุศลธรรมทั้งหลายพูดด้วยแต่เวลาจะพูดเนี่ยจะพูดพร้อมกันไม่ได้ก็จึงใช้คําว่าเอาตัวที่เป็นประธานก็คือเจริญสติเอออลไพูดเจริญสติเข้าใจยัง ทีเวลาเจริญสติเนี่ยตัวสตินั้นเป็นธรรมังสารณังกระฉามนินั่นแหละพอสติเกิดขึ้นนั่นแหละชื่อว่าไม่ตกจากสารณะเพราพระพุทธเจ้ากล่าวไว้กล่าวไว้บอกว่าบุคลาาาบคลที่ถึงสารณะเห็นไหมบุคคลที่ถึงสารณะบอกว่าส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ เป็นสาธาร ะ, ะย่อมเห็นอริยสัจย่อมเห็นอริยสัจคือเห็นทุกข์ในตะอนการเจริญสติตอนนั้นนะ่ะสติเกิดขึ้นนะสัมปชัญญะเกิดขึ้นความความความรอบรู้เกิดขึ้นความเพียรประคับประคองกุศลเกิดขึ้นในนั้นก็มีทั้งศรัทธามีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญานั่นแหละที่เกิดขึ้น ในขณะที่รอบรู้ในอียบทในการยืนในการเดินในการนัง่งในการนอนในขณะนั้นสตินั่นแหละไปร ะ, ะลึกไประลึกทุกขสัตว์ไประลึกทุกขสัตว์ปัญญาก็ไปรอบรู้ทุกขสัตว์ตามความเป็นจริงอการที่สติไประลึกทุกขสัตว์ปัญญาไปรอบรู้ทุกขสัตว์ตามความเป็นจริงมาจากาบุคคลใดถึงสารนะ เพราะเขามีพุทธทางาสังกระฉามนี้ธรังแส ด, ง, ดงก็ะามนีเขาจึงเดินตามพุทธโอวาทไงเขาจึงเห็นอริยสัจได้แต่ถ้าบุคคลใดไม่ได้เดินตามพุทธโอวาทเนี่ยสิ่งที่ปรากฏในใจเขาบุคคลนั้นเนี่ยเป็นทุกข์ัสสาวะจริงหรือไม่ก็าไปรู้มันทุกชาวโลกเขาก็เยอะโอ้ทังนั้นก็เห็นทุกกันหมดเนะี่ยอยู่บา้านเครียดจังท่าเหนือเครียดมากยอมอยู่คนเดียงงวเหง่ว้าวุ่นท แล้วจะทําไงก็เปิดช่องธรรมะดูไปเรื่อยๆดูช่องนั้นบ้างช่องนี้บ้างดูไปเรื่อยๆก็เพลินเลยใช่ไหล่ะต้วใช่เห็นทุกข์กับสัตว์ไหมอย่างนันเนี่ยไม่ใช่โอ้โหทัง้งนั้นนายมพ่อยมแม่มาก็เห็นทุกทุกวันดีเดี๋ยวแกก็ปวดหัวเดี๋ยวแกก็ตัวแล้รอดไม่อยากอยู่เลยโลกใบนี้ก็ว่านั้นเนีน่มันทุกข์อ่ะสมมติว่าสมมติเจ้คะอ่า เราเคยชินกับกบรรมฐานกัาที่ว่าเดินจงเดินคาถาจัดการที่เราจะเดินแต่ละย่างเก้าเนี่ยเราจะต้องรอบรู้ไปถึงทุกกริย์ด้วยใช่ไหมจ๊อค์คือต้องวิจัยเข้าไปถึงจุดจุกนานด้วยไม่ใช่เดินว่ารู้ตัวธรรมดาถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าเ <Okay. S 1> ป็นติดกรรมฐานใช่ไหมจ๊องค์คืออย่างนี้เพราะว่าต้องวิจัยเข้าไปลึกขนาดนั้นคือคือประเด็นเนี่ยเบื้องต้นเเบื้องต้นเบื้องต้นว่า อาจจะเป็นเพียงแค่แค่ธรรมดาเนะอาจจะเป็นเพียงแค่เออแต่แต่ไม่ใช่รู้แค่นั้นนะต้องรู้ทั้งหมดแล้วอาจจะการระลึกอาจจะไม่ไม่เร็วไม่ทันไม่ไวขนาดนั้นเบื่องต้นอาจจะเป็นการลักษณะที่ที่ใครคนไปปกติแต่แต่ไม่ใช่มีข้อมูลแค่นั้นประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนว่า เรารู้แล้วว่าจากนี้ถึงกรุงเทพเนี่ยนะกี่กิโลและเดินทางยังไงแต่ในขณะเดียวกันแล้วก็ในขณะที่ไปเราก็รู้ในส่วนที่ย่อมย่อมใกลๆแต่ในขณะเดียวกันมันจะรู้เรื่องไกลเราก็สามารถระ ล, ลึกรู้ได้เลยมันรู้เส้นทางในอนาคตได้ไงว่าะจะต้องไปเจออะไรมันชัดตรงนั้นหลพะพอไปเห็นปั๊บมันก็อ๋ออ๋ อ, อ, อหมดเลยแทนที่มันบอกหมดแล้วแทนที่มันบอกหมดแล้วแต่เพียงว่าของจริงมันมาปรากฏตามทีหลังเนะี่ย ของจริงมันปรากฏตามทีหลังแผนที่มันชัดไปหมดแล้วทีนี้มันจะออกนอกแผนที่โอดีรูรูเลยโอแปลกนะขนาดออกนอกแผนที่มันยังรูเหมือนกันเลยแต่รู้ได้อย่างเนี่ยมันเห็นอีอย่างเนี้ยเป็นต้นนะมันยังไม่ร้อนจริงๆคือมันยังลึกแค่ไหนเริงๆยกกันมันยังลึกไปต้นเพราะว่าถ้าทางที่เราความมาการคิดทีมันกเอง เพราออย่างนี้ยอมอย่าไปเข้าใจอนั้นว่าเราอย่าไปคิดว่านี่นะอย่าไปบอกว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่ห้ามคิดผิดพุทธพจน์อย่าใช้คํานี้นะคําว่าตรึกคําว่าคิดเนี่ยอย่าไปปฏิเสธถ้าอย่างนั้นเทวิทาวิตกษสูตรสูตรที่พูดในการตรึกระบรรดุระบรรลุ เดี๋ยวมันจะมันกระทบพุทธพจน์ันไม่ได้กระทบคนอื่นอย่างอื่นไม่ว่ากันแล้วแต่อย่าไปเราในฐานะเป็นชาวพุทธอย่าไปปฏิเสธพุทธโอว่ามันมันมันกระเทือนถึงกระแสชีวิตเราเองเนาะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอจะคิดเนาะให้คิดอย่างไรไอ้แบบไหนไม่ให้คิดพระเจ้าจะสอนอย่างนี้เช่กนการเมฆตกเนี่ยอย่าไปคิดคิดแล้วมันยิ่งเป็นเหตุถึงความฟุ้ง พยาบามวิต๋อย่าไปคิดยิ่งคิดแล้วยิ่งเครียดผู้หญิงสาววิต๋ไอคิดเดือดเบียนอย่าไปคิดยิ่งคิดแล้วยิ่งเครียดแต่เน่ข่าวมาวิโต๋คิดเป็นวันก็ไม่เป็นไรคิดออกจากลางยคิดไปเถอคิดไปในเมตตาเนี่ยคิดไปเถอไม่เป็นไรคิดในเรื่องของกรุณาเนี่ยคิดไปไม่เป็นไรคิดเป็นวันก็ไม่เป็นไรคิดแล้วมีส่วนในการเต็งตลอดก็เป็นชื่อของสัมมาสังกัปปะไอคำว่าสัมมาสังกปะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคิด ย่อมก็แปลวิตกมาท่องสัมมาสังกปอ่ะนี่ไอ้จอยเนี่ยสัมมาสังกปาก็คือคิดนี่นแหละแล้วลองดูดิที่ห้ามคิดเนี่ยห้ามคิดคือห้ามใช้จิตเลยเนยอารมณ์นางจินเตจีติติเตี่ยจิตจ ต, ต่างธรรมชาติแต่ย่อมคิดฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตถามว่าการปฏิบัติต้องใช้จิตไหมจิตก็คือคิดเนี่ย ธรรมชาติของจิตคือคิดมันต้องคิดถ้าไม่คิดมันมันบรรลไม่ได้ไงแต่ต้องคิดให้ถูกไอ้ประเด็นอยู่ตรงนี้นะคิดให้ถูกทีนี้ไปบอกว่าห้ามคิดก็เป็นการห้ามใช้จิตห้ามใช้จิตแต่ควาะคืออย่างนี้ความเข้าใจของชาวโลกคิดแปล ว, ว่าคิดปู๊ไปทั่วเอออย่างนั้นเนี่ยมันผิดเอออย่างเนี้ยมันคิดไปทั่ว แต่เราไปเรียกว่านั่นน่ะคิดแต่เวลามันตึงไอ้ระลึกอยู่ในฝ่ายดีเราไปเรียกว่าไม่คิดเนี่ยมันเลยมันเลยไปขัดกันเนี่ยคำพูนเราเอาของคําพูดพุทธเจ้ามันจะชัดคิดนั่นน่ะถูกแต่อย่าไปคิดคิดแค่นี้แหละให้คิดถูกเสียมันจะได้จิตมันจะได้กูเป็นกู้สนนะนี่เวลาศัพท์ที่เอามาใช้กันเนี่ยโยมมันเป็นปัญหาจริงๆนะเรื่องศัพท์เรื่องภาษาแค่นั้นแหละตัวเนี้ย เราไปไปใช้กันเนี่อีกฝ่ายหนึ่งว่าคิดห้ามคิดอีกฝ่ายนึงต้องคิดเนี่ยเอาตถาคตจริงๆแล้วถ้ามองว่ามันถูกคนลมุมก็ได้ไงเราก็มาสรุปเสียว่าอ๋อที่คุณห้ามคิดคืออย่าคิดชั่วให้คิดดีเสียเลยเนี่ยคิดดีจะมันจบตรงนั้เละไอ้ตรงนี้ยเลยเนี่เราก็จะอ๋อเป็นอย่างนี้เองยุ่ยนี่เราก็มาติดเชียงกันอยู่เนี่ยคิดไม่คิดคิดไม่คิดก็ตัดทิ้งเลยอย่าเราก็ตัดทิ้งประเด็นอ๋อคิดแต่อย่าไปคิดไม่ดีคิดไม่ดีไม่เป็นก็ภาษานมันคิดดีใช่ไหม ทีนี้เขาว่าคิดดีเ น, นี่ยยังต้องมาตีความอย่าีกเนาะคนคนเขาด่าใช่ไหมดีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เ้าด่ามันดีนะแต่เราต้องคิดดีกับคนที่ด่าเออมไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ว่าเขาด่านี่ยดีเขาพูดดีกับเราแล้วอ้ น, นี้มันผิดมันผิดจริง ม, มเลยไม่ได้ภาษาเนี่ยเขาพูดไปดีเนะี่ยแหละเรารู้แต่เราต้องคิดดีกับเขาเออไม่ใช่ ยากไหมไม่ยากหรอกแต่เพียงอย่าไปสับสนเรื่องภาษาให้มีอะไรพอพอเรามองมองอย่างนี้ไปเสร็จแล้วเริ่มจะเข้าใจอย่างเดี๋ยวนี้ว่าว่าอ๋อหนึ่งเราจะไม่เราจะไม่โต้แย้งกับใคร